นับุตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนับุตัสสะภะคะวะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนบุตัสสะภะคะวะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอต้อนรับเข้าสู่ยุคปลายของโควิดเอ่อมาตรการป้องกันโควิดเนี่ยจริงๆพระพุทธเจ้าสอนเรามาพุทเจ้าสอนมานานแล้วนะถ้าอยู่แบบพุทธเจ้าเนี่ยไม่ติดอะถ้าอยู่แบบพุทธเจ้านะมันของพระเนี่ยฉันก็ทัน้นไฉัน รูปเดียวถ้าจะฉันรวมต้องได้รับอนุญาตทางพระวิ น, นัยความสะอาดถ้าเราไปศึกษาในบทเสกคียวัตรว่าการฉันการใช้ต่างๆของพระนี่จะเห็นว่าโหยิ่งกว่าผู้ดีอีกพันพระที่ท่านถูกฝึกเดี๋ยวนี้มันจะต้องใช้คำว่าถูกฝึกพระที่ท่านถูกฝึก มาจากครูบาอาจารย์เราจะเห็นว่าการเยื้องการดางังเหมือนอย่างอันตรานี้ยังไม่ค่อยได้นะมันไปธรรมชาติลุกทุ่งลุกทุ่งอยู่พระที่ท่านถูกฝึกมาจากสำนักที่ที่สืบทอดวัตถบัิบัติต่อกันมาเี่ยจะ้งดงามงดงามมากจะนั่งจะไหวจะก้มจะคู่จะเหยียดจะลุกจะเดินมีควอม ตัวสำคัญที่สุดที่เป็นมาตรการป้องกันไวรัสนี้นะคือสติสัมปชัญญะความสํารวมระวังและตัวที่จะทําให้ไวรัสนี้หยุดการเผยแพร่ได้ดีที่สุดก็คือความเมตตาอันสติสัมปชัญญะเมตตาสติก็คือคอยป้องกันระวัง ในการแสดงออกพฤติกรรมของเราในการไปที่นั่นไปสถานที่ต่างๆหาบุคคลต่างๆกระทำกิจกรรมต่างๆต้องมีสติคอยดูว่ามันปลอดภัยไหมสัมปชัญญะมันจะต้องเกิดความรู้ตัวว่าเราเป็นอะไรเช่นว่าแต่เรามันมีไข่ยอยู่เราไม่รู้ว่าไข่ของเรามันจะเป็น ไวรัสไหมตัวต่อไปก็คือเบต้าใชเออ่เราเป็นถ้าเราเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรแต่เราจะต้องไม่ให้ใครติดเชื้อจากเราสมมุติถ้าเราเป็นมันก็เลยมันมีความเบตาสติสัพพัญญะเบตาสามตัวนี้ป้องกันได้เกือบทุทกไวรัสทุกสายพันธ์ปัญหามันก็คือว่าไอ้ที่มันติดติด ต, ติติดกันอยู่เนี่ยเพราะมันขาด สติสัมปชัญญะและเบ ต, ตาขาดสามตัวนี้อ่าสติสัมปชัญญะและเบ ต, ตาสําคัญที่สุดในเรื่องของการป้องกันไวรัสนี่ดังเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนใส่หน้ากากหลายเปอร์เซนต์ในจํานวนที่ใส่ใส่เพื่อป้องกันไม่ให้คนเขาว่าใส่เพื่อให้คนอื่นสบายใจ เพราะฉะนั้นหน้ากากก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีความปลอดภัยอะไรมากใส่ไปเหอะบางบางเบาๆเพราะว่าไอ้ที่มันป้องกันได้จริงๆมันใส่แล้วมันหายใจลําบากนั่นตมานียอมรับเลยนะว่าใส่หน้ากากตมาก็พกติดตัวประจําแหละแต่ว่าเห็นเขาใส่กันหมดทุกคนเราคนเดียวไม่ใส่ก็มไม่เป็นไร <laughs> คือใส่แล้วพูดยากแล้วก็ หายใจลําบากโดยเฉพาะสวดมนต์นะอืมแต่ถ้าใส่ไอ้แบบเขียวๆอย่างนี้นะสวดได้แบบเขียวๆเนี่ยมันตกลงกี่แบบเขียวๆนี่มันปลอดภัยรึเปล่าไม่รู้ปลอดภัยแต่ว่ามันสวดมนต์ได้นะอืมแต่ทีนี้ไอ้แบบเขียวๆนี่มันแพงเลยฮะเดี๋แล้วมันปลอดภัยไหมล่ะ อืมอ่ะเอาสติสัมปชัญญะและเบต้าไว้ก่อนทีนี้ส่วนหนึ่งเขาก็ใส่เพื่อกันไม่ให้คนอื่นเขาว่าใส่เพื่อให้มันเดี๋ยวมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นเรื่องใหม่ในทังคมนะไปตรงไหนตรงไหนทําไม่ใส่หน้ากากแล้วแม่มันเออเขาเรียกอะไรนะอะไรนะนิวอะไรนะเออนิวโอนอมอนคือปกติใหม่ เขเรียกว่าปกติใหม่มันไม่ใช่เป็นคําใหม่แต่คนเราจริงๆมันก็ต้องปกติใหม่นั่นแหละถ้ามันไม่ปกติใหม่นะมันไม่ใหม่ไม่ปกติใหม่ปกติใหม่เป็นเรื่องของการพัฒนาปกติใหม่เนี่ยปกติใหม่ปกติใหม่ปกติใหม่ปกติใหม่เป็นเรื่องของการพัฒนาเป็นเรื่องของการสืบวิริยะเป็นเรื่องของการสืบความเปลี่ยนภาษาพระเรียกอารัถวิริยะ ปราลบความเพียนเนี่ยคือปกติใหม่ปกติใหม่ของเราเป็นอย่างไรปกติใหม่ของเราเป็นยังไงฮะ <c oughs> อะไรนะเ <c oughs> ว้นระยะห่างไม่ใช่หรอกโยมปกติใหม่ของเราก็คือ <c oughs> การอยู่กับ <c oughs> ปัจจุบัน การอยู่กับปัจจุบันคือปกติใหม่อย่างแท้จริงเราจะต้องปกติใหม่อยู่สะเบิร์สเบิการแน่วแน่อยู่กับปกติใหม่นั่นแหละคือการแน่วแน่อยู่กับปัจจุบันเราเอาอะไรมาจัดว่าเป็นปัจจุบันของเราฮะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่ามันเป็นปัจจุบันของเรา ถ้าเราไม่รู้เราจะไปแน่วแน่อยู่ตรงไหนเออเหเราเอากายกายนี้แหละใช่ั้มเอากายนี้แหละแล้วในกายเนี่ยมันเยอะเราควรจะเอาไปตั้งอยู่ตรงไหนดีอา้าวพระเราก็ไม่ต้องคิดแล้วพอ ม, มาถึงอย่างนี้นะฮะไม่ต้องคิดแล้วเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างละเอียดแล้ว เนี่ยเราเนี่ยอยู่ดีกินดีด้วยความตรัตรูของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นน่ะพอจังอย่างนี้ปั๊บเราจะอยู่กับปัจจุบันให้มันแน่ๆอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปคิดอีกแล้วเพราะพระพุทธเจ้าแจกแจงไว้ละเอียดแล้วก็คืออยู่กับกายอยู่ ก, กายอยู่ตรงไหนอ๋อ่านก็ทำมาให้อีกแล้วมีตัง้งต้นตั้งแต่อะไรลมหายใจ อิริยาบถถูกไหเออเออเวทนาความคิดอารมณ์ทั้งหมดเนียที่มันเกิดขึ้นในขณะขณะขณะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยู่กับสิ่งนั้นได้มันก็เป็นปัจจุบันและแน่วแน่อยู่กับสิ่งนั้นสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่นสอนว่าถ้าเราอยู่กับสิ่งนี้ได้ อย่างต่อเนื่องแล้วมันจะทำให้เราได้ทุกอย่างคำว่าได้ทุกอย่างนี่มันไ ม, ไม่ไม่ได้หมายความว่าไอคนโสดจะได้สามีนะมันไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นไอคนจนมันจะรวยด้วยทรัพย์ก็ไม่ใช่นะมันจะไปฟังต่อมาพูดว่า <S <S 1> <S 1> แค่อยู่กับลมหายใจได้ทุกอย่างว่าอยู่ ต, บ, ตบัตะบี้ตะบันเลยหวังที่จะมีครอบครัวอย่างนี้มัน ไม่ใช่นะคำว่าอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวได้ทุกอย่างหมายความว่าหนึ่งปิดอาบัายสองอยู่อย่างมีความสุขในฐานะของความเป็นมนุษย์สามเมื่อไม่อยู่ในฐานะความเป็นมนุษย์แล้วก็จะไปสุคติ และสี่สามารถเดินอยู่ในเส้นทางสัมโพธิมุตินั่นก็คือการพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เนี่ยได้ทุกอย่างถ้ารวมความได้สามส ก, การก็คือว่าได้ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติแต่ว่าไม่ใช่เหมือนว่าจะไปลมหายใจอย่างเดียวจะไปได้อย่างอย่างอื่นนะ ปีนี้ลุนสองขั้นอยู่ปีที่แล้วก็ได้ขั้นเดียวคนอื่นก็ได้ทั้งสองขั้นเราลุนสองขั้นเอาฟังหลวงพ่อบอกลมหายใจพร้เจะเอากระลมหายใจนี่แหละเพื่อให้ได้สองขั้นมันอาจจะได้ทางอ้อมะแต่ว่าจะหวังอย่างนั้นไม่ได้ลมหายใจที่กล่าวนี้ถ้าเราแน่วแน่อยู่กับลมหายใจนั่นคือเราอยู่กับปัจจุบันพระเจ้าสอนไว้อย่างนั้นชัด และปัจจุบันแท้เมื่ออยู่กับลมหายใจปัจจุบันนี้ลมหายใจที่ถูกอยู่กว่าเป็นปัจจุบันเมื่อลึกลงไปกว่านั้นที่เป็นปัจจุบันอย่างบริสุทธิก็คือทุกอย่างเป็นธรรมชาติที่ไม่เก้าเกี่ยวกันตัวที่รู้ ก็เป็นธรรมชาติของรู้ไปตัวที่ยังระลึกก็เป็นธรรมชาติของการยังระลึกไปลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกก็เป็นธรรมชาติที่ไหลเข้าไหลออกของลมไปไม่ก้าวเกี่ยวกันนั่นหมายความว่าวิตกคือการที่จะยกจิตขึ้นไปเพื่อรู้ลมหายใจก็หลีกออกไปสหบไปความสุขที่เกิดจากการที่ลมหายใจมันไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออก ก็หายไปปิติที่มันเกิดความอิ่มจากการที่อยู่กับลมหายใจไหลเข้าไหลออกไหลเข้าก็มันก็หายไปใช่ไหมมันจะลึกลงไปเป็นชั้นชั้นชัในที่สุดทุกอย่างอยู่เป็นธรรมชาติของกันและกันไม่ก้าวไายกันลมหายใจก็เป็นธรรมชาติของลมหายใจสติก็เป็นธรรมชาติของสติไปการหยั่งระลึกก็เป็นธรรมชาติของการหยั่งระลึกไปจิตก็เป็นธรรมชาติของจิตไป อยู่โดยไม่ก้าวไก่กันอะไรปรากฏอะไรปรากฏนตรงนั้นเป็นอะไรฮะ <Okay. S 1> ตรงนั้นเรียกว่าอุเบกขาตรงนั้นเรียกว่าอุเบกขาอันนี้เราจะเข้าถึงได้ด้วยด้วยอะไรเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยได้ด้วยอะไรด้วยลมหายใจ ร้นจริงที่กล่าววันนั้นที่แต่งเดี๋ยวนี้อัาตมาเขียนเป็นคำกลอนแบบมั่วๆตามสไตล์อะ่ะก็ได้รับการแปลเป็นสามภาษาเว้ยตัวเนี้ยมีภาษาอังกฤษมีภาษาอังกฤษนี่คุณจำชื่อแกไม่ได้แกแปลให้ภาษาจีนก็พวกพวกของวันทา มีภาษาปูเป้เอาไปให้ครูภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นอีกหนึ่งภาษาตอนนึอยู่ญี่ปุ่นตอนนี้มีสามภาษาเลยนะที่บอกว่าลมเอ่ยลมหายใจเข้าทางไหนออกทางนั้นต้นลมเกิดจุดลมดับพลันทั้งลมทั้นและลมยาวเป็นต้น <c oughs> คือเริ่มต้นเราสังเกตว่าลมหายใจของเราเนี่ยนขนาดที่เราฟังอยู่เราไม่รู้หรอกว่าเรากำลังหายใจอยู่ถูกปะ่ะเราไม่รู้ แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าท่านแน่วแน่อยู่กับลมหายใจดังมีบาลีรับรองอีกบทหนึ่งว่าสติยาระมเดดันหัง่งบันเตยเยวังสกังจิตตังสติยาระมเดดันหัง่งหมายความว่าให้ผูกจิตอยู่กับอารมณ์เดียวให้มันด้วยสตินั่นะหมายความว่าเราจะต้องยกจิตยกจิตเข้าไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจการยกเข้าไปนั่นแหละก็คือการกําหนดนั่นแหละมันไปในลักษณะของการวิตก เป็นการจัดการของความคิดให้มันเกิดขึ้นแล้วก็มุ่งเข้าไปเพื่อสู่อารมณ์อันนั้นเห็นไหมมันชัดไหมเข้าใจไหมอันนั้เาเรียกวิตกชัดไหมล่ะอยู่ๆมันจะไปรู้ลมหายใจอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีที่มาจิตมันอยู่กับอย่างอื่นอยู่ก่อนอาจจะอยู่กับวิทยาบทหรืออาจจะอยู่กับเรื่องที่คิดเรื่องต่างๆแล้วมันจะไปอยู่กับลมหายใจมันจะต้องวางจากเรื่องนั้น แล้วเราก็ยกเข้าไปสู่ลมหายใจอาการนี่ยกจิตเข้าไปสู่ลมหายใจนี่แหละกระบวนการอันนี้แหละเขาเรียกวิตกวิตกนั้นมันเลยเป็นธรมนมนธรมชาติอย่างหนึง่งใช่ไหมจิตเ ป, จเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งวิตกในการที่ยกเข้าไปสู่ลมหายใจก็เป็นธรรมชาติอย่างห น, นึ่งลมหายใจก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนี่เป็นกระบวนการที่มันค่อนข้างจะละเอียดขึ้นมา จากการที่เรารู้ลมหายใจเฉยๆแต่พอเยะกเข้ไปรู้ลมหายใจปั๊บเนี่ยเมื่อเรารู้ลมหายใจแน่วแน่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆทุกอย่างมันคลายตัวออกอ่ามันคลายตัวออกทำไมต้องคลายตัวออกอะ่ะมันเป็นธรรมชาติของมันไงเพราะสุดท้ายสุดท้ายลมหายใจเขาก็เป็นธรรมชาติของลมหายใจเพราะอะไร เพราะเราไม่เคยรู้ลมหายใจเราหายใจเรามันก็วิ่งเข้าวิ่งออกของเขาตามธรรมชาติอย่างนั้นใช่ไ่าจิตเราที่ไม่ได้ยกเข้ามาสู่ลมหายใจมันก็เป็นธรรมชาติของจิตอยู่อย่างนั้นถูกไหมทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติของตัวมันเองทั้งหมดเลยในกระบวนการทั้งหมดนี้เราทำมันขึ้นมาไม่ใช่เราต้องทำตามพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะให้มันเกิดปัญญา ปัญญาที่ตั้งอยู่บนอุเบกขาซึ่งเกิดจากการรู้และจิตเดินออกมาจากอารมณ์ที่ยกไปกำหนดนั้นช้าๆให้ทันวังเข้าใจไหมเอาฟังอีกทีหนึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดปัญญาซึ่งตั้งอยู่บนอุเบกขา ที่เกิดขึ้นจากการที่จิตมันเดินออกมาจากอารมณ์ที่เรายกเข้าไปเพื่อกำหนดรู้ให้เป็นปัจจุบันนั้นอ้าวทันไหมเข้าใจไหมโอ้ยนี่คนหนึ่งสามสิบสี่สิบไฟแล้วเนี่ยยังไม่เข้าใจอีกหรอเข้าใจไหมทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดปัญญา ตั้งอยู่บนอุเบกขามันไม่มีในหนังสือแต่ถ้าพวกเราปฏิบัติอย่างมาต่อเนื่องเราจะรู้ว่าที่แต่พ่อพูดถึงหมายถึงอะไรให้เกิดปัญญาที่ตั้งอยู่บนอุเบกขาอุเบกขาซึ่งเกิดขึ้นจากการที่จิตเดินออกมาจากอารมณ์ที่เรายกเพื่อไปกำหนดนั้นแหละเออเข้าใจปะ่ะ เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่เมื่อกี้กล่าวถึงลมหายใจนะเพราะลมหายใจเ็าชัดมากก็เป็นธรรมชาติที่ชัดเจนมากผู้ปั๊บเรารู้เลยเพราะในขณะที่เราบอกว่าเราไม่รู้เราก็หายใจอยู่ขณะที่บอกว่าเราเข้าใจเราก็หายใจอยู่เพราะฉะนั้นอาณาปานสติหรือการรู้ลมหายใจอย่างเดียวนั้นได้ทุกอย่างเมื่อตกี้องค์ปัญญาที่ตั้งยู่นเบขาที่บอกก็ได้มาจากลมหายใจ คืออาสมอาศัยลมหายใจเข้าไปแต่ถามว่าลมหายใจทำได้จริงถึงขนาดนั้นไหมมันมีคนไปถามหลวงปู่ในโนสโสนะหลวงปู่ราคมมากเลยเล่าให้พวกเราเคยเล่าไห้ฟังไงถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับพุโทโธไปนิพพานได้ไหมผู้ที่รู้นี่ผู้ที่รู้จริงนะ เวลาตอบท่านไม่คิดเพราะอะไรรู้เปล่าเห็นคือเห็นดีคือดีชั่วคือชั่วใช่ไหมเผ็ดคือเผ็ดเปรี้ยวคือเปรี้ยวอ ย, ย่างเงี้ยผู้รู้จริงมันไม่ต้องคิดถามปับ๊บจะตอบปุ๊บเลยหลวงปู่ในโสหลวงปู่รู้รปูนิ่โพนิพุทโธไปนิพผ่นได้ไหมหลวงปู่บอกไม่ได้ไม่ได้คิดเลยอะ่ะทัทง้ท ง, ทงท่านถอนพุโทโธนะและท่านก็ปฏิบัติมาตามพระพุทธโธท่านถือว่าเป็นหลานลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นนะ และเป็นผู้ที่เด็ดขาดในเรื่องของธรรมะมากรูปหนึ่งในในประเทศเราแล้วท่านตอบว่าไม่ได้อ้าทำไมล่ะครับนิพพานเป็นแค่ของเฉพาะพอดีกับตัวอะไรก็เอาเข้าไปไม่ได้พุทธโธก็ไม่ได้เหตุผลก็ไม่ได้บุญบาปก็ไม่ได้โอ้โหท่านอะความความพอพอพอท่านรู้จริงอะท่าพูดออกมานี่บอกไม่ได้งงใช่ไหมโอ้โหเรา คนภาวนาพุทโธก็ตายแล้วสิเรามาเอาพุทโธปลาเราไปไปนิพพานไม่ได้แต่เราต้องอาศัยพุทโธไปนิพพานเมื่อถึงประตูนิพพานเดินเข้าไปนิพพานนั้นอะไรก็เข้าไปไม่ได้เพราะมันแค่พอดีกับตัวเป๊ะลงปูเดนอสอลมหายใจนี้ก็เหมือนกัน ลมหายใจนี้ก็เหมือนกันเขาเป็นสมบัติอันประเสริฐพอพูดอย่างนี้เขาเป็นแก้วสารพัดนึกเมื่ออธิบายแบบนี้เขาเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจการศึกษาลมหายใจของตัวเองนั้นไม่ใช่ ไปปรับกระบวนการของลมหายใจไม่ใช่ไปปรับการทํางานของลมหายใจแต่การไปศึกษาความเป็นจริงของลมหายใจให้ประจักษ์แล้วความสําเร็จในการศึกษาลมหายใจในเบื้องต้นคือแค่รู้แค่รู้การไหลเข้าไหลออกของลมหายใจของตนให้ได้ เขาว่าแค่รู้นี่หมายความว่าไงหมายความมันเลยชั้นกาหนดรู้นะเริ่มต้นเรากาหนดรู้ลมหายใจจะเข้าออกตามการตามการกาหนดของเราใช่ไหเข้าออกคือแต่ก่อนแต่เดิมนั้นมันหายใจเขามันอยู่ดีๆพอเราจะปฏิบัติธรรมปับ๊บเข้าออกเข้าออกอ่ะ พเรากาหนดไปกำหนดไปกำหนดไปกำหนดไปแล้วในที่สุดมันจะไปหลีกออกจากการกำหนด น, นั้นนั่นคือลมหายใจเขาก็อยู่ตามธรรมชาติของเขาใช่ไหมเราเพียงแค่รู้แค่รู้จึงเกิดขึ้นกร <c oughs> ะจายยังเพราะเริ่มต้นมันก็ต้องต้องกำหนดแหละ นี่พวกเราเคยปฏิบัติมาลังคนหนึ่งตั้งหลายหลายครั้งแล้วแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องนี้ย้อนรอยกันแต่ทำให้มันละเอียดขึ้นอีกพระก็โดนขังอยู่นานเหมือนกันก็โดนขังอยู่นานเหมือนกันอะบางทีมันก็นึกนึกเหมือนกันนะว่าสมัยพระเจ้าพระเจ้าเกิดมาเพื่อรื้อขนสัมพสสัตออกจากกองทุก เกิดความทุกข์อยู่ตรงไหนจะต้องส่งพระไปแต่เดี๋ยวนี้ตกสั่งให้ปิดวัดเ <c oughs> พราะรัฐบาลก็กลัวไงก็กลัวกลัวเชื้อจะมาติดที่พระแล้วถ้าติดพระนี่ยุ่งนะถ้าติดพระนี่อย่างห้องนี้นี่ติดพระมาเองเดียวนี่เสร็จทังห้องเลยอ่าเรามาทำฟาร์มรู้จักกับลมหายใจและ ทำความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องปรับอินทรีย์สร้างศรัทธาคือความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีตลมหายใจพระพุทธเจ้าบอกว่าอาณาปานน ส, สติสมาธิอันบุคคล อ, อบรมให้มากแล้วทำให้มากแล้วทำให้ได้วิชาและวิมุตต์คือถึงความหลุดพ้นอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเลย ถึงความหลุดพ้นนี่ถือว่าเป็นสิ่งซึ่งสําคัญที่สุดแล้วและพระพุทธเจ้าถามว่ารู้อย่างไรจึงจะให้ถึงความหลุดพ้นนั้นต่อลมหายใจท่านก็แสดงไว้เป็นลําดับเลยทีครังว่าอัสาสัสนโตทีครังอัตถามีติประชานาติทีคังว่าปัจจัชนโตทีคังพระรามีติปัจจานาติ รัตชังวาอัจฉริชนโตรัตชังอัจฉรมีติปัชานาติรัตชังวาปัจฉริชนโตรัตชังปัตฉามีติปัชานาติเป็นลำดับลําดับลําดับลำดับทีนี้เรามาดูว่าเมื่อพระพุทธเจ้าสอนแล้วมีผู้ปฏิบัติตามคือหมายความว่าเอาเอาเอาหมวดสีก่อนหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าออกยาว หายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเข้าสัาน้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าออกสัน้นเอานี้ก่อนเราบัลองศึกษาว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าหายใจออกและทำไมในบางครั้งมีการสอนว่าหายใจเข้าเคยตั้งใจไหมเออไอ้นี่เรื่องลมหายใจ ที่ว่าหายใจออกเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไรฮะมแม่แกก็ชอบกําบันทุบดินเลยตอบไม่ให้ผิดเลยที่ว่าหายใจออกเพราะอะไรฮะเหตุผลของอัตามาตอนแรกก็คือว่าหายใจออกมันเป็นธรรมาชาติมากกว่า ลึกเข้าไปกว่านั้นลมหายใจออกเป็นลมหายใจแรกของชีวิตไม่เชื่อถามหมอในที่นี่มีหมอสองสามหมอเด็กที่อยู่ในคันมันไม่ได้หายใจสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในโพรงจมูกเป็นลมที่อยู่ภายในใช่ไหมพอเขาคลอดออกจากท้องแม่ลมแรกที่ออกจากชีวิตของเด็กทารกคือลมออกคือลมออก ลมหายใจออกคือลมแรกของเราลมแรกของชีวิตแต่เราชินอยู่กับการกําหนดพราะพอลมแรกของการปฏิบัติธรรมก็คือลมหายใจเข้าใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราชินอยู่กับการกําหนดการกําหนดหมายความว่ายอย่างไรเอ๋อเรามารู้ลมหายใจกันเถอะรู้ลมหายใจอย่างไรอะหายใจเข้ารู้ เพราะการกําหนดอยู่ๆมันจะไปกําหนดออกไม่ได้ไงเพราะไอ้ตัวที่มันอั้นอยู่โดยที่เราไม่รู้ไม่ได้ไม่มีไอ้ลมที่มันอั้นเหมือนตอนเราจะออกจากท้องแม่ใช่ไหมเด็กที่มันนอนอยู่ในครันมารดาก่อนจะคลอดอ่ะมันมีมันมีลมมันมไีไอ้ไอ้ความอัดอั้นอยู่ในโพรงจมูกอยู่ได้ด้านในเนี่ยมันเราไม่มีตรงนั้นไนงะตอนเนี้เราไม่มีตรงนั้นเพราะตรงนั้นมันเกิดผ่านไปแล้วแต่ว่า พอเราจะปฏิบัติธรรมเราจึงหยุดการหายใจแล้วเราเริ่มต้นการหายใจการกำหนดตรงนั้นมันจึงเป็นลมหายใจเข้าหายใจเข้าจึงเป็นลมแรกของการปฏิบัติธรรมแต่ลมหายใจออกเป็นลมแรกของชีวิตและถ้าหากว่าเราสามารถรู้ลมออกเป็นลมแรกได้เราจะรู้ลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติที่มากกว่า อันนี้เรื่องลมหายใจนะอืมเอาเรามาดูว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าลมหายใจออกยาวก็รู้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจเข้ายาวก็รู้อ่ะทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราหายใจยาวและที่ว่ายาวเนี่ยยาวขนาดไหน ที่ว่ายาวยาวแบบไหนอะสมมติว่าอัตมาหายใจเข้าจนสุดแล้วก็จะหายใจออกโดยการนับดกเดี๋ยวจะพูดกันว่าที่เขาสอนว่านับนับมาผิดไหมนับปล่อยลมหายใจออกปล่อยลมหายใจนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิเ็องสิบสาสิบี่านับไปเรื่อยบางคนก็จะอวดเก่งนับเก่งนับนับไปจนถึงยี่สิบพอหายใจเข้ามันไม่ครบ จะให้ครบร้ต้องนับเร่งๆ1นึงี่หเจป9เเพราะนั้นลมแรกคู่แรกไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่ท่านเลยมีการปฏิบัติรวบรวมมาจากสมัยพระเจ้าสอนแล้วมีพระที่ท่านปฏิบัติม า, มาปฏิบัติมาปฏิบัติมาปฏิบัติมาปฏิบัติมารวบรวมลงเป็นอันเดียวกันตังแต่ว่า ทีครั้งว่าอัศว์สั้นโตทีครั้งอัศสาวมีติประชานาติเมื่อหายใจเข้ายาวเรารู้ว่าเราหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวรู้ว่าเราหายใจเข้ายาวไอรู้ว่าเราหายใจเข้ายาวมันรู้แบบไหนอะในที่สุดมันก็เลยเกิดไอ้นี่บทสรุปของการปฏิบัติแตา่ผู้ที่ศึกษาว่า ม, มีบางคนบอกโอ้ยไปฟังทําไมอัตตกาถาจาร ไม่ใช่พุทธพจน์มันก็เลยเสียโอกาสมันไม่ใช่แค่ฟังเพื่อทําความเข้าใจนะถ้าฟังเพื่อทําความเข้าใจแล้วจบเราก็ว่าได้ไม่ต้องไปฟังอัจฉราาิยไม่ต้องไปฟังคาสอนของครูบาอาจารย์ไม่ต้องฟังฟังแต่พุทธพจน์อย่างเดียวเลยเพราะทำความเข้าใจแล้วจบแต่มันไม่จบสิมันต้องปฏิบัติให้ประจักษ์แจ้งและบังเกิดผล เพราะฉะนั้นท่านผู้ที่ฟังพระพุทธเจ้าและท่านปฏิบัติจนบังเกิดผลท่านจึงสอนเทคนิคและวิธีการให้ถึงผลของพุทธพจน์นั้นๆ น, น, นี่สายที่ท่านปฏิบัติกันมาไปเรื่อยเรืยเรื่อง อ, อ, อ, อานาปานสติเรื่องการรู้ลมหายใจแค่ลมหายใจยาวท่านกล่าวไว้ยังไงครับว่าลมหายใจยาวอย่างเดียวเนี่โอ้โหจบกระบวนการเลย แค่ลมหยายยาวนะนี่เรายังไม่ไปเรื่องอื่นนะแค่ลมหยายใจยาวทําแบบไหนท่านบอกว่าทีครั้งอัด ส, สั้นอ่าทีคังอัดซ่าซังอัดทานสั่งค า, าเตอัดสติตั้งใจฟังนด่มันจะได้หายใจยาวเป็นทีครังอัดซ่าั่งอัดทานสั่งค า, าเตอัดสติแปลว่า หายใจออกยาวเนี่ยอัฏฐานสั่งคเตะอัติย่อมหายใจออกในการนับยาวนับกัอว่ามีว่วงเวลาของความยาวมีมีว่วงของว่วงเวลาที่นับว่ายาวอย่างเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยพอเราจะหายใจยาว เราก็ต้องทำลมหายใจของเราให้ยาวยาวที่มันไม่อึดอัดคือถ้ายาวเกินไปกว่านั้นมันจะอึดอัดเราก็ยาวแค่นั้นเนี่ยต้นใช้คาว่าอัธานาสงขาเตในอันประมวลนับยาวคือเราจะต้องประมวลตัวของเราเองแต่ละคนความยาวจึงไม่เท่ากันมันจะไปทำลมหายใจยาวของของคนหนึ่งให้เท่ากับคนหนึ่งไม่ได้ มันแต่ละคนจึงจะต้องอัฐานะทั้งคาเตคือต้องประมวลการนับว่ายาวนับวันนานเช่นพอหายใจเข้าสุดแล้วหายใจออกถ้ามันปล่อยให้ให้ออกยืดนานกว่านั้นแล้วมันอึนอดอัดไม่เอาเอาแค่มันไม่อึอดอัดแต่มันยาวกว่าป ก, กติ แต่การหายใจออกยาวนี้พอเราหายใจยาวออกยาวเสร็จมันก็จะลดระดับความแรงของลมหายใจลงมาอยู่ๆไม่จ ย, ยาไม่ได้นะท่านในการฝึกฝึกในรูปแบบพระพุทธเจ้าสอนไม่ชัดเนคืออะไรหาที่นั่งใช่ไหมอรั ญ, ญกคต ว, วารุกมูลล ะ, ะต ว, วารคือหาที่นั่งหาสถานที่เสร็จแล้วก็นั่งนั่งแบบไหนนั่งตัวตรง นั่งตัวตรงเก็บมือเรียบร้อยไม่ต้องห่วงกายส่วนอื่นไม่เอียงกระเทเร่ไม่เอียงไม่เอียงแล้วก็น้อมสติมาดำรงอยู่กับเรื่องสิ่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าจากนั้นก็น้อมจิตเข้าไปที่ช่องจมูกแลาวไม่ต้องไปตกเถียงกันเลยว่าลมของเรามันยาวไปถึงไหนให้เฝ้าอยู่ช่วงที่ลมก็ผ่านได้ ทีครังอัศสาสังอัธานาสังคเต อ, อัสติคือว่าเมื่อหายใจยาวหายใจยาวคือหายใจออกในขณะที่มีการนับให้ยาวนับในที่นี้หมายความว่าไม่ใช่นับหนึ่งสอสาสห้านะนับว่ายาวหมายความว่านับในห่วงของเวลาที่ลมหายใจมันไหลออกไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําลมหายใจเราให้ระงับลงมาด้วยการกําหนดนี่แหละกําหนดลมหายใจให้มันเบาตัวลงมากว่าเดิม เพื่อให้มันเกิดความยาวที่ราบรื่นขึ้นเสรแล้วไม่ให้ยาวมากจนอื่นอัดเมื่อเขายาวออกไปเท่าไรแล้วกาหนดให้เขาเข้ายาวให้ประมาณเดิมๆเท่านั้นเพราะในกระบวนการที่รู้ลมหายใจยาวนี่มันเป็นเรื่องรลวที่เมื่อศึกษาและปฏิบัติแล้วมันให้ผลดีมาก แ่ทำลมยาวอย่างเดียวอ่ะโอไปไกลมากไปไกลมากพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนละเอียดแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านมาแยกย่อยในการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติระหว่างเส้นทางนั้นน่ะเขาเรียกว่าสภาวะต่างๆท่านแยกย่อยออกมาและรวบรวมไว้ท่านที่ปฏิบัติรู้แล้วรู้ได้จริง จะสอนและเจอเหมือนกันเรียกว่าเส้นทางของผู้ปฏิบัติต้องฐานในการรู้ลมหายใจยาวเดี๋ยวก่อนจะสู่การปฏิบัติเราก็จะคุยกันเรื่องลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยแหละท่านบอกว่าให้ทําลมหายใจลงมาแลรให้ ร, รับลงกว่าและเพื่อให้ลมนั้นไหลรื่นสะดวกปล่อยให้เขาไหลออกไปยาวในขณะที่เรายกจิตเข้าไปเพื่อรู้ รู้ลมที่ไหลออกไปนั้นยาวถ้าเราไม่ไม่สะดวกหรืออึดหนัดลมสุดท้ายเมื่อเราหายใจยาวจะสุดแล้วเนี่ยปล่อยลมหายใจอีกเฮือกหนึ่งเรียกว่าเฮือกสุดท้ายให้มันออกไปอีกทีหนึ่งก็ยังได้อยู่ในขาออกแต่ทั้งหมดนั้นเราจะต้องรู้แล้วหลังจากนั้นเราก็ปล่อยลมหายใจไหลเข้าแต่ความจิตรู้อยู่ที่เดียวแต่ลมหายใจที่ไหลเข้าก็พยายาม กำหนดให้เขารักับลงมามีความแรงกําลังเท่ากับลมออกอัฐานาสังคาตเองเหมือนกันโดยอันนับว่ายาวคือให้เขามีความยาวไว้ยาวกลางทั้งออกและเข้าและรู้ตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมและสุดลมนี่ระบ้าด้วยลมล ม, ลมยาวนะะท่านก็ ทนกล่าวไว้ต่ออีกนะอันนี้อันที่หนึ่งนะเพราะว่าเนื้ข้าวอะ่ะก็เหมือนกันเลยทีครั้งทีครังปัิสาสังทีครังปัิสาสังอัฏฐานสั้งคาเตปสติข้าวยาวกับทีนี้ก็เหมือนกันเลยเหมือนกันแล้วเนี่ยสองอย่างนี้เหมือนกันทําต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยเรื่อยเรืยจิตมันเป็นจิตที่รู้ลมยาวเนี่ยมันจะรื่นขึ้น ลมก็จะเป็นปกติของมันขึ้นอ่าทีนี้มันจะมีลมหายใจออกและลมหายใจเข้าที่ออกยาวเข้ายาวในบางครั้งมันก็ต้องรู้ทั้งออกทั้งเข้ารู้ไหลออกแล้วรู้ไหลเข้าแล้วต่อไปมันรู้ทั้งไหลออกรู้ทั้งไหลเข้าคือนอกจากรู้เป็นสายสายแล้วมันสามารถติดนั้นมันสามารถที่จะรู้ย้อนกลับไปเป็นคู่ได้ด้วย อ่าตอนนี้ตอนแรกเริ่มเนี่ยเรารู้ลมหายใจยาวมันสายออกใช่ไหมพอรู้ลมหายใจเข้ามันเป็นสายเข้าใช่ไหมไม่ไม่มีอะไรเลยนะแค่นี้เองทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆๆๆๆหลังจากที่มันรู้สายออกสายเข้าสายออกสายเข้าสายออกสายเข้าไปเรื่อยๆๆๆๆต่อไปจิตมันละเอียดที่ในขณะที่มันรู้สายออกสายเข้าแล้วมันรู้ทั้งออกทั้งเข้าเป็นคู่ ความละเอียดของจิตความแข็งแรงของสติความนิ่งของสมาธิที่ปรากฏมันจะทำให้รู้ทั้งออกทั้งเข้านั้นในเส้นทางการปฏิบัติท่านจึงกล่าวว่าทีครั้งอัสาสังทีครั้งอัดสาสังเมื่อหายใจเข้าหายใจออกยาวไอ้ทีครั้งอัสาสังมี2ตัวเลยไหมเมื่อหายใจเข้าหายใจออกเมื่อหายใจออกหายใจเข้ายาว อัตนาสั่งก้าเตอััสติปิปัสติปิชื่อหายใจออกบ้างหายใจเข้าบ้างยาวในอันนับไออันที่นับว่ายาวคือคู่ที่มันหายใจออกหายใจเข้าที่เรารู้ว่ายาวนันนะมันรู้เป็นคู่ด้วยรู้เป็นสายแล้วสายออกสายเข้าสายออกสายเข้าสายออกเข้าแล้วมันก็จะรู้เป็นคู่ด้วยแต่อันนี้ไม่ใช่รู้แบบกำหนดแล้วเวลามันรู้เป็นคู่ไม่ได้กาหนดนะ มันรู้ตามการแข็งแรงของสติและสมาธิใช่ไหมเข้าใจปะไม่ใช่รู้เพราะการกําหนดเรากําหนดนี่เรากําหนดที่ไหนออกข้าวแต่พอพอจิตไปรู้ความเป็นคู่ของลมที่ไหลออกและไหลข้านั่นเราไม่ได้กําหนดแล้วมันรู้ที่เป็นรู้หรือเห็นของมันเองตามธรรมชาติพอมันเป็นอย่างนั้นสิ่งที่มันจะเกิดคืออะไร ฟังเป็นไกล้ไลายไปก่อนนะก่อนเข้าถูกการประจวบวันนี้เราจะว่ากันด้วยลมหายใจยาวนี่แหละสิ่งที่จะเกิดก็คือความราบเรื่นความเย็นความนิ่งของกายเกิดขึ้นจิตนะักขนานั้นมันจะมีการโน้มเข้าไปเพื่อลมที่ไหลออกยาวและลมที่ไหลเข้ายาว จิตที่มันมีโน้มก็ไปด้วยความพอใจอย่างเป็นธรรมชาติที่เข้าไปหาลมหายใจซึ่งบทบังความกําหนดหายไปเลยเรียกว่าความกําหนดนั้นแทบจะหายไปแล้วที่เหลือคืออะไรคือความโน้มไปของจิตที่ไปในลักษณะธรรมชาติของความพอใจในการที่จะโน้มก็ไปสู่ลมที่ไหลออกยาวลมเข้ายาวตัวนั้นเรียกว่าฉันทะ นี่ฉันทะมันจะเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อทีข้งอัตสาสังอัฏานร้งที้งอัตสาสั ง, งอัตฐานสังฆ่าเตงอัศสโตปิปัสสตปิชันโดอุปัตติท่านรับรองไว้เลยคือเมื่อจิตรู้ ลมหายใจออกลมหายใจเข้ายาวและรู้ลมหายรู้เห็นลมหายใจออกลมหายใจเข้ายาวเป็นคู่นั้นชั้นโทอุปัชติฉันทะก็เกิดขึ้นเราเรากำหนดเข้ามาให้ฉันทะเราไม่ได้กําหนดคือมันมีการโน้มเข้าไปหาความพอด้วยความพอใจอย่างเป็นธรรมชาติ จากความนิ่งของกายความราบรื่นของจิตที่เข้าไปรู้ลมออกและลมยาวนั่นทีนี้เมื่อฉันทาเกิดทีนี้ต้องทําพอมันไปอย่างนั้นเสร็จแล้วมันจะตันมันจะตันพอมันมีฉันทาเข้าไปแล้วมันฉันทะเข้าไปแล้วฉันทะเข้าไปฉันทะอยู่กับลมหายใจแล้วจะทํำยังไงทางไปเขาจึงมีสองทางที่จะต้องทำสองขั้น นี่เราจะมาพูดเรื่องอะไรเนี่ยลมยาวนะอย่าลืมนะเราฝึกหายใจก่อนก่อนอน่นอัตมาพาพวกเราไปถึงขั้นไหนแล้วขั้นถึงดับจิตสังขารแล้วนี่เราถอยกลับมาเพื่อที่จะมาดูลมยาวให้ละเอียดศึกษาลมยาวให้ละเอียดทีนี้พอพอมันมีฉันทะ มันโน้มเข้าไปแล้วมันแค่โน้มเข้าไปเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยเราตันว่ะมันจะไปไหนต่อดินี่นี่ก็ออนไลน์ไหมเนี่ยคนฟังทางบ้านจะเบื่อแล้วเนี่ยเพราะว่าว่ากันด้วยเรื่องปฏิบัติอย่างเดียวเลยทีนี้ <c oughs> เมื่อฉันท่าเกิดขึ้นเราตันตรงไห น, นตันตรงเรี่ยมันไปแค่ความพอใจแต่ความอยากที่จะให้มันเดินหน้าไปกว่านี้ของเรามันมีอยู่ท่า น, นความแนวนในการปฏิบัติท่านกล่าวว่า ฉันทะวะเสนะตะโตสุขุมตรังทีขังอัตสาสะปัสสาสังอัตสัโตอัฏฐานสังคาเตอัตสัตโตปิปัสะสัโตปิก็คือเมื่อเมื่อฉันทะเกิดขึ้นแล้วต่อไปเราทำยังไงรู้ลมหายใจออกที่ยาวนั้น น้อมจิตที่เป็นฉันทะเข้าไปสู่ลมยาวให้ละเอียดเข้าไปมันทําได้พอมีฉันทะอย่างธรรมชาตินี่มันทําได้เหมือนกับว่าเราเรามีเครื่องมือแล้วเรามีเครื่องมือแล้วเราบีบเข้าไปให้มันละเอียดเข้าไปให้ลมหายใจนั้นละเอียดเข้าไปกว่าเดิมด้วยอํานาจของฉันทะ บีบลมหายใจออกยาวเข้ายาวให้ไวให้ละเอียดลงไปกว่าเดิมทําลมหายใจเข้ายาวออกยาวให้ละเอียดเข้าไปกว่าเดิมด้วยอำนาจของฉันทะทาไปอย่างนี้ทําไปเรื่อยเรื่อยเร่อยเรื่อยเรื่อ ย, อยลมหายใจนั้นก็จะคือกายมันนิ่งลมหายใจก็จะละเอียดและเบาลงกว่าเดิมยาวกว่าเดิมแต่ยังมีกําหนดอยู่แต่ด้วยอำนาจของฉันทะทําทไปอย่างนี้เรื่อยเรื่อ อ้าวเราจะตันอีกไม่ตันแล้วทีนี้มันจะเกิดโดยเป็นธรรมชาติด้วยปลามมดจังอุปัตติความปราโมดเกิดขึ้นเมื่อก่อนนี้เคยสอนพวกเราเรื่องความปราโมดตอนนี้ความปราโมดมาเองแค่ลมยาวเล้ความปราโมดมาเอง ความประโมดจะเกิดขึ้นด้วยอำนาจของฉันทะที่เข้าไปน้อมลมหายใจให้ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆความประโมดก็เกิดเมื่อความประโมดนี้เกิดอัศสะปัสสาจิตตังวิวัตเตติอุเปขาสันทาติเป็นต้นเมื่อความประโมดเกิด จิตยังรู้ลมหายใจไหลออกยาวลมหายใจเข้ายาวไปเรื่อยเรื่อยรืยรยและจิตนั้นโน้มให้ละเอียดลงเข้าไปจิตที่รู้ลมหายใจนะนองเข้าไปรู้ลมหายใจให้ละเอียดสุ ข, ขุมให้ละเอียดสุ ข, ขุมขึ้นไปกว่าเดิมกว่าเดิมด้วยอำนาจของความปราโมทย์ทีนี้มันแทบจะไม่มีลมหายใจมันละเอียดจนเหมือนจะไม่มีลมหายใจ มันละเอียดมากจนถึงเหมือนจะไม่มีลมหายใจแต่จิตไม่อึดหนาดเพราะมันมีความปราโมท ด, ด้วยมากของความปราโมทนี้จิตเป็นยังไงรู้ไหมโดยธรรมชาติเลยทีขังอัศ ส, สะปัดสาสาจิตตังวิวัตเตติจิตจะลีกออกจิตจะหลีกออกจากลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายาว ฟังใดีนะอั น, นี้มันไม่ใช่หลุดเพื่อไปไม่ใช่ว่าหลุดแล้วไปปรุงแต่งอยู่กับคิดนะแต่ด้วยอํานาจของความปราโมทที่ละเอียดละเอียดละเอียดแทบจะไม่เหลือแม้แต่ลมหายใจจิตลีกเรียกว่าจิตหลีกออกจากลมหายใจออกหายใจเข้ายาวอาศาสะปะสาสาัสสะจิตตังวิวัตเตติอะไรเกิดขึ้น อุเบกขาสันถาติอุเบกขาก็ปรากฏเมื่อจิตลีกออกมาจากลมหายใจที่ข้าวออกยาวอุเบกขาปรากฏนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าลมหายใจก็ทำงานเป็นธรรมชาติของลมหายใจแล้วเหมือนที่พูดได้ฟังตอนต้นลมหายใจก็จะทําเป็นธรรมชาติใครที่ไม่เข้าใจในคําพูดเมื่อตอนต้นตอนนี้เข้าใจไหม ลมหายใจเขาทางานเป็นธรรมชาติของลมหายใจไปอะไรเกิดขึ้นแค่รู้เข้าใจยังแค่รู้ก็เกิดขึ้นอันนี้คือลมยาวแค่รู้เกิดขึ้นอุเปคขาสั้นทาติคืออุเบขาปรากฏมันปรากฏจากการที่จิตหลีกออกมาจากลมหายใจเข้าออกยาว พอหายใจเข้าออกยาวลมหายใจก็เป็นธรรมชาติของลมหายใจไไม่ต้องไปกําหนดว่ายาวหรือสั้นแล้วนั่นก็คือแค่รู้ตามความเป็นจริงลมหายใจที่ไหลออกเป็นอย่างไรมันก็รู้เป็นอย่างนั้นลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรมันก็รู้เป็นอย่างนั้นมันเป็นประโยคแรกๆที่อาตมานำพวกเราปฏิบัติแต่พอเราแยกกั้มันละเอียดออกไปเราก็จะเห็นขั้นตอนข้อหมานว่ามันเป็นแบบนี้นี่ลมยาว ไม่ใช่อยู่ๆเราจะมาพูดว่าเออแค่รู้แค่รู้ไอ้แค่รู้จริงๆมันต้องเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นแบบนี้แค่รู้จริงๆมันต้องเป็นแบบนี้จิตมันจะลีกออกมาลีกออกมาจากสิ่งที่ยกไปยกไปรู้แล้วก็มาหยุดอยู่กับอุเบกขาซึ่งเกิดขึ้นเองในการภาวนาอย่างต่อเนื่องพออุเบกขาสันถาติคืออุเบกขาปรากฏอะไรทีเนี้ย กายจะนิ่งกายจะนิ่งคือกายที่ตั้งอยู่นี้จะนิ่งนิ่งทั้งนอกและนิ่งทั้งในจิตที่จะไปรับรู้ถึงการทํางานของอวัยวะต่างๆนะั้นมันหลีกออกมาหมดหลีกออกมาหมดก็เรียกว่ากายปรากฏในขณะที่กายปรากฏโนสติโนสติโนโ น, โ น, นี่ก็แปลว่าไม่เหมือนกันนะ ไม่ไม่ใช่ N.O. นโะสระโอนอหนูนะบาลีมีเหมือนกันเลยบาลีมีโนนะก็โนสติในขณะที่กายปรากฏสติไม่ปรากฏสติไม่ปรากฏไม่ได้หมายความว่าไม่มีแต่หมายความว่ากายก็เป็นธรรมชาติของกายสติอุปทานังสติปรากฏญาณอุปทานังการรู้การอย่างรู้ก็ปรากฏ ทีนี้อะไรเกิดขึ้นตายะสติยาจเตณญาเนนะ <c oughs> สตโตการีสตโตการีอเหถุงแปลว่าการจเจริญสติด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้นก็คือการรู้ลมหายใจ ด้วยสติที่ปรากฏนั้นด้วยการอย่างรู้ที่ว่าด้วยญาณ น, นั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วนี่แค่เราทำลมยาวเชื่อว่าส่วนมากวังแล้วเข้าใจเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติมาเนี่ยสภ า, าวะพวกนี้มันจะผูกขึ้นมาปั๊บปั๊บ ป, ป, ป, ป, ป, ปแล้วเราก็รู้บางทีเราก็เราก็แข็งไปกับการที่จะยึดกันกาหนดเป็นหลักไว บางทีก็เชื่ออาจารย์เกินไปมั่งไว้บางทีก็พกพาของสำนักอื่นมาบางก็มายื้อยือกันอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราฟังและเราเข้าใจอย่างนี้เราจะรู้ว่าจังหวะไหนที่เราควรปล่อยอะไรไปจังหวะไหนที่เราควรปล่อยอะไรไปจังหวะไหนที่เราควรปล่อยอะไรไปเราก็รู้รู้ของมันไว้เป็นอย่างนั้นแต่พูดให้ท่านทั้งหลายฟังว่าการรู้ลมยาวและพยายามย้าหลายๆคนบอกว่าฝึกการทาลมหายใจยาวให้บ่อย มันแก้ปัญหาได้เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาโรคเออเอาเอาใจเนี่ยลมหายใจยาวเอาใจเพราะหลังจากนี้เอมเราก็จะได้ภาวนารู้ลมหายใจกันในการภาวนาบางครั้งเราต้องปลุกใจสมัยก็ไหนก็ไหน ในหน่อยไหนไห น, หนก็ปลุกใจทั้งนั้นแต่ตัวปลุกใจของการเข้าถูกการภาวนาเนี่ยก็คืออินทรีย์ความศรัทธาความเพียรตัวปลุกใจคือตัวศรัทธาศรัทธาที่มันมีความเชื่อเชื่อในหลายส่วนเชื่อด้วยด้วยความรู้รู้ว่าอ๋ออย่างนั้นจริงๆแล้วเชื่อตัวนี้จะปลุกใจได้ดีละ ว่าเราเกิดมาจนป่านนี้ถ้เรียบเทียบดูเรร่างกายเรานะเทียบนู่นน่ะก็นั่งแป๊บเดียวยืดแล้วยืดอีกแล้วน่ะแล้วเราต้องปรับว่าโดยความเป็นจริงร่างกายของเราเนี่ยมันแป๊บเดียวจริงๆเลยเราไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปดูผลอย่างอื่นดูว่าเราจะอยู่กับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในวันข้างหน้านี้อย่างไร เราจะต้องอยู่กับความทุกข์ที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างไรเราจะอาศัยฟังเพลงลูกทุ่งที่ตัวเองชอบดูละครดูซีรีส์เที่จะไปถึงตอนนั้นเวลามันมีความทุกข์ปรากฏเราจะอยู่กับมันอย่างไรดูซีรีส์เกาหลีมันจะหายไหมฮะมหายไหมร่างกายที่โอดระโหอยรยแรงลงไปทุกวันทุกวันทุวัและโรคที่กําลังจะเกิดขึ้นโรคที่มีอยู่ในตัวของเราที่มันกําลังจะปรากฏขึ้น บางคนบางทีมันมีเนื้องอกอกมากหน่อยไปตัดหมอไปตัดโรงพยาบาลเพื่อรอผลผลตรวจของชิ้นเนื้อหมอบอกเดี๋ยวก็รอหนึ่งอาทิตย์รอผลเชื่อหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นั้นไม่ต้องทําอะไรแล้วคือตั ว, ต, วตัวนั้นยิ่งกว่าเป็นแล้วลุนลุนโอ้โหตอนนั้นสวดมนก็ตรวดนะเอน้ามนก็กินนะพระก็ไหว้ด้วยนะบนบานศาลกล่าวอีกต่างหากขอกับสิ่งศักดิ์สิทธ พอหมอบอกว่าไม่ไม่ใช่เนื้อรายเป็นไงแล้วมันจะรอดอย่างนั้นทุกครั้งัหมเราจะต้องอยู่อย่างไรกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราไม่ต้องไปพูดถึงความสุขหรอกพูดถึงความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราไม่ได้สาบแช่งอะไรสิ่งที่เรารักมีเต็มไปหมดเลย แล้วเราจะอยู่อย่างไรกับการที่เราจะต้องพรากพรากจากสิ่งที่เรารักชีวิตเราแข็งแรงไม่มีโรคเราจะอยู่อย่างไรกับชีวิตของเราที่มันอ่อนแอและมันมีโรคเราจะอยู่อย่างไรกับชีวิตของเราที่มันโหอยเข้าไปหยเข้าไปพร้อมที่จะขาดใจ สิ่งที่พูดเนี่ยเกิดขึ้นแน่ทุกคนอ่ะอันนี้ไม่ได้พูดถึงไอ้ อ, อื่นเลยนะแค่นี้เองเพราะพระพุทธเจ้าเวลาท่านมาอ้างท่านาอ้างแค่วามแคนี้แหละชราปีตุกะมรน้ำปีตุกังแล้วก็โสกาปริเทวาทุกทะตะทูมันรูบายัดจำปิจังนลัลปัติตัมปีตุกังปิเยหิวิปโยโกตุโกคือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาเราจะอยู่อย่างไร อาณุนเราจะอยู่อย่างไรกับไม่สมปรารถนาเราจะอยู่อย่างไรกับไม่ได้ในสิ่งที่หวัง เ, ออเรามีแต่ความปรารถนามาตลอดชีวิตจนถึงป่านนี้เราได้สิ่งที่หวังแล้วยังและเราอยู่อย่างไรกับการที่จะต้องไม่ได้ในสิ่งที่หวัง เรารู้อย่างไรกับสิ่งที่เราจะต้องพลาดจากสิ่งที่ชื่อว่าของเราซึ่งมันพร้อมที่จะเกิดพร้อมที่จะเกิดพร้อมที่เกิดพร้อมที่เกิดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาทีละนิดทีละหน่อยทำให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความทุกข์อันนี้อเอาคเนียอเอาแคเ่นี้และเราจะทำยังไงพระพเจ้าที่บอกว่าใช้ความเชื่อที่ทาความเข้าใจอย่างนี้แหละ แล้วก็ใช้ความเชื่อเป็นตัวปลุกใจและมาดําเดินในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าค้นพบและนํามาสอนลราไปในเส้นทางอื่นไม่ได้หรอกเพราะเขาค้นกันมาตั้งแต่ก่อนมีพระพุทธเจ้านี่ก็ค้นกันมาเกิดเป็นคําพรีเยอะแยะมากมายแล้วในที่สุดไอ้พวกที่ค้นพบเจ้าลทัทธิศาสดาทั้งหลายในสมัยนั้นก็หันมายอมรับและเดินในเส้นทางของพระพุทธเจ้า เพราะเสนทางของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่กําหนดไม่ใช่บัญญตัติไม่ใช่รับประทานมาจากเทพพยาเจ้าองค์ใดแต่มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ที่ใจของทุกๆชีวิตเพียงแค่เปิดใจแล้วประคองชีวิตตนเองเดินในเส้นทางสายนี้ก็จะได้ในสิ่งที่หวังและพระพุทธเจ้าท่านก็ สอนสอนสอนทวงทำหน้าที่เป็นมักขับขายีมักขะขายีแปลว่าอะไรเคยพูดหลายทีแล้วฮะเป็นผู้บอกทางอืทําหน้าที่เป็นผู้บอกทางมเมื่อก่อนนี้เรามีอยู่สองทางใช่ไหมกามาสุขาลิการนุโยกุอัตกิรมาานุโยก ในสองทางนี้เราเดินด้วยการพอใจมีอำนาจเราใช้ชีวิตตกอยู่ใต้อำนาจของความพอใจนี่ทางหนึ่งแล้อีกทางหนึ่งเราใช้ชีวิตตกอยู่ใต้อำนาจของความไม่พอใจปล่อยให้ความไม่พอใจมีบทบาทในการกำหนดชีวิตของเรานี่อีกทางหนึ่งเรียกว่าอาตตกิลมัทฐานโยคแม้กระทั่งการบำเพ็ญเพียรปล่อยให้ไปตามอิสระที่ใจชอบนี่สายหนึ่ง อีกสายหนึ่งก็ทรมานกายเอาหัวแขวงดินกำเล็บกำหมัดไอเล็บมันห่อผลวมาอีกด้านหนึ่งอดอาหารรมไฟเ่ายางไฟอย่างเงี้ยเชื้อเฉื้ร่างกายหิบตาเนื้อก่อไฟล้อมตัวตากแสงอาทิตย์เลือยกายตากแสงอาทิตย์ไม่พอก่อไฟล้อมตัวเองอีกเพื่อคือความทรมานแล้วเข้าใจว่ามันจะเป็น ทางแห่งการหลุดพ้นแต่ในที่สุดมันไม่ใช่มันก็อยู่ทางที่ว่าะเอาความไม่พอใจมามีอำนาจในการชายชีวิตแต่พอพระพุทธเจ้ารู้อีกสายหนึ่งเรียกว่ามัชิมาปฏิปทาก็สายนี้นะ่ะสายที่เรากำลังจะทำปฏิบัติกันอยู่เนี่ยสายนี้เมื่อเข้าถึงแล้วเนี่ยเขาจะทำให้ความคิดของเรานี่เป็นไงความเห็นของเราเนี่ยถูกต้องความคิดเป็นไง ถูกต้องคำพูดเป็นไงถูกต้องการกระทำเป็นไงถูกต้องเลี้ยงชีวิตเป็นไงถูกต้องความขมักขม้น่นขวนขวายพยายามก็จะถูกต้องความสำนึกระลึกรู้ก็ถูกต้องความตั้งใจก็เป็นไงถูกต้องมันเกิดเป็นองค์ของ ของของความรู้นี้มีลักษณะแปดประการเรียกว่าอถังคิกรรมกเกิดมาจากตรงไหนล่ะเกิดมาจากความรู้มีฐานมาจากอะไรมีฐานมาจากความไม่อกติหมายความว่ามีฐานมาจากความแน่วแน่อยู่กับปัจจุบนันที่มีความคงที่นิ่งตัวอยู่ที่เราเรียกว่าอุเบขาและทําให้มองออกไปเห็นตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวง เมื่อจิตที่มันนิ่งไม่อกติตั้งอยู่กับอุเบกขามองออกไปในสิ่งต่างๆเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงมันเหมือนกันไหมมันเหมือนกันแล้วเหมือนกันด้วยอะไรเหมือนกันด้วยหลักของไตรลักนี่รู้ที่มันมีอํานาจแล้วทีนี้เมื่อเห็นอันนี้ก็ตกอยู่หลักของใตรักอันนี้ก็ตกอยู่หลักของใจรักอันนู้นก็ตกหลักของใจรัก เรื่องของโลกหรือเรื่องราวของโลกว่าสวยว่าขี้เรว่าสูงว่าต่ําว่าดําว่าขาวมันมีความหมายไหมเพราะอะไรเพราะทุกอย่างมันเป็นอนิจจังมเมื่อเห็นอย่างนั้นจิตมันก็เลยคลายตัวออกมาจากโลกถึงตอนนั้นเป็นยังไงมันเหมือนกับ ร้อนอยู่ในท่ามกลางของความร้อนแต่เย็นอยู่ในท่ามกลางของความเย็นแต่อุน่นอยู่ในท่ามกลางของความหิวแต่อิ่มอืมไม่ใช่เรื่องหลอกตัวเองเป็นเรื่องราวของธรรมชาติที่มันมีอยู่อย่างนั้นมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติในควายที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ กฎเกณฑ์ธรรมชาติในฝ่ายที่ทําให้เราจมอยู่กับความทุกข์ก็มีกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ทําให้เราพ้นมาจากความทุกข์ก็มีพระพุทธเจ้าค้นพบและนํามาเปิดเผยหมดแล้วนั่นเราไม่ต้องทําอย่างอื่นท่านทำไว้ให้หมดแล้วแล้วเราก็แค่ปฏิบัติตามนั้นนะ